พระธรรมเตศนามโหสดจาดกจอมปราแถแห่งมิถิลาภูกติสาวฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปราหือฉลาดเรียบเรียงใบจากต้นฉบับปืนเมืองโดยปออินสมชัยชุมพูรปรเปลียนทำหกประโยคนักธรรมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงายโม ตัตตาภกวาตุอราหตสมมาสมพุทธะโพธิสัตว์สวัสดิกาปวติยตวจินเตศี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 โกธิสตโตอันว่ามโหสถตนยดใหญ่นอพระติไวทารงญาณหูข่าวสารเงินเก้าจากนกแขกเต้าเตรียมใจก็านิ่ไในเกิดไข ว, ว่าตนเต้าไทยวิเตหราชากันไก่การีพาวไปสู่ดาวอุตตรปัญจาละนากร เตียงเมือมอนมวยหมอดบอดได้รอดขึ้นมากูทุนสาห้ามกล่าวก็โคดเท้าจำนีตนผู้มีเจ้าจาง <c oughs> มีกุลมากกว้างนำนาเลียงกูมาแต่น้อยใจไฟหอยแป้งปั้นตกรังวันพร้อมไข่เยียหญ่เดือลาย เต้าดาผ้าภายขดตรไม่บอกวนใสในใจกวรเร็วไวจวยเต้าฮือป่อนดาวศัตรูเมื่อตอนกู้นักผาดผู้ชาลาดจบทองบอธริปองจวยกำเฮือหอลวงลำอันตาราย คนตั้งหลายได้หัวเตียงก่าอูเตียงควันกวรเร็วปั้นอยาจจะช่วยเจ้าฟ้าผู้มีป้่นเครื่องขี่เอาไหมอย่ากได้ดับพันดังเอาพระจันทร์ดีภาคป้่นจากปากระหูนอสัพปัญญูเกิดแล้วใจพองแผ้วสมมนัชา จิงเก้ากาเท้าบาดซอยย้อนใจเจินจ้อยยินดีว่ายัดเสวะคเรผู้เจญะโพกังดังนี้เป็นต้นว่าคนผู้ใดแหละใดยังยศใหญ่นานำตั้งเงินคำมาเต้าจากเต้าเจ้าตนใดแม่นเจ้าห่อใจจักดาฤือค้าบุกตี หรือครับนี่เจียนจากคือได้ภาคเสียเมืองบอกควรเครื่องโคดเท้า ต, ต่อตนเต้าทารงคุณกวนอุดหนุนจ่วยกรรมคือหลวงลำอนต า, รายรคือเต้าบุญภายยดใหญ่ปนโศกไม่เครื่องกาธรรมดานักผาดผู้ชาลาดจบทอง ได้เข้าของยอดใหญ่จากตาเต่าไทยต้นใดบอกกวรมีใจกึ่ดารกวรตอบายแตนกุนหนอตอนบุญหน่อยนาดก่าเสียงขาดกาถาก่อไ ก, ก่การีพาวขึ้นสู่ดาวหอคำย่อมือตัต้มต่างเก่าไวเต่าเจ้าปารา แล้วก็จะทำเราว่าเต้าเป็นเจ้าห่อใจยังจากไปสู่ดาวแห่งตันเต้าจุลนีเพื่อเอานารีออ่อนน้อยมาเป็นกูหอยจะยาจะรือเมื่อนั้นพญาวิเตหาราชก่อโอกาสจะไข ว่าเราจากไปแต่ละาตามเกวัดเท่าใครปั่นกำรถวันบอกไว้กันเราบ่ได้สาวสีคือปัญจาระจันทีอ่อนน้อยมาเป็นกูหอยจ่าเมืองมีทีล่ลานนโสดบ่มีประโยชน์อันใดเจ้าจุงไปจอมกว่ากับเราเจ้าฝ่าภูมี อย่าได้หนีเว้นแหวกเราไปแต่เดียวได้กันเราตั้งหลายไปรอดเมืองแก้วญยอดเวียงใจจักสมใจแต่โสดือได้ประโยชน์สองผากาดหนึ่งได้นังง่งลงคานยอดซอยมาเป็นกูหอยเตวีสองสืบไม่ทีมันแก่นเป็นปื้นแผ่นเดียวกัน จุงเร็วปั้นแต่งไว้ยังเกืีงใจเตียวตังเตา้าหอ่อควางก่าวแล้วเจ้านอแก้วบุญมีก็อไขาวาตีขับไว้ว่าขราแด่เต้าไทยห่อใจขา้าขอไปก่อนหน้าขอตนเจ้าฝ้ารอราคาจักไปดาแต่งไว ยังมุนเทียนใหญ่ยอดถายกันคิดจะลายน้อยใหญ่เบี้ยนพยาาร้อมไขจูพระการจักส่งข่าวสารมารอดถึงเตายอดภูมิกันเจ้าปุรียอดแย่ใดรับข่าววันใดขอสเสด็จไปอย่าจ้าตามดังคาทุนสาน ต้าูบ้านยศใหญ่ฟังนอพระติไวยขยจ่าส ม, มานัสสาหลหาลากว่ามโหสดบ่อภากนีไกเตียยงสมใจไฟห้อ ย, ยบ่อกัดก้อยไก่กาจิงจักจาตันต่อออกปากรอกำงามบะตนใจราหน้อยนาจบฉลาดนำนาะ มีผ้าญาอาจกาจักไปก่อนนาตัวเรายังจักเอาสังเล่าติดตัวเต้าตัวเจ้ายาไปเจ้าก็อไว้น่อมไว้ว่าขอเอาไผ่ไตรีปนกับต่างคนหน่อยใหญ่ผู้ไข่ับปาการเป็นปริวานมวลมากออกไปจากธานี เจ้าปุริทิราชกอนุญาตปันมมยว่าจักเอาไปไหลหรือน้อยตำไฟห้อยพระสรงนอพุทธองค์บอจ่าลาเจ้าฝ้าบัดเดียวแล้วรีเรียไปบอกคือใครขอกังกาพิจจารานาเลือกไว้ยังผู้ไขสับปะการผู้จานานฉลาด จ่างสร้างภาศาสตร์มนเทียนตั้งจางเขียนจางไม้จ้างแป้งเฮือยใหญ่พันภายจ้างเล็กลายจางปั้นจางขุดดันดินดานตังโยธาหารอาตูบอหอนหูถอยหนเครื่องกับตนจักใจดา่อมควายเลือลายดาบคมภายเถีนยนใหญ่ ตั้นาไม้ปืนไฟหอกคมใสเทียนกามุยมีผ้าเหล็กจี้อนจักตีเหลือใหญ่ลัวเสียมไขนาน า, นา <c oughs> กันหือดาเบียนแลออกกอลาเต้าตนแก้วผู้บ้านป่าปาริวานมวลมากออกไปจากเพียงใจบอ่อปอไก่นักโสด เอาหนึ่งยอดเป็นธาราฮือแปลงศาลีใหญ่กว้างตีจิมข้างต่างไปฮือคนเตียมใจผู้หนึ่งเล่าได้อยู่เฝ้ารักษาว่ากันภาญยาวีเตหาราชปานางนาฏปัญจาละจันทีขีญานีมารอดจุงฮือเต้ายอดผู้บาน เปลี่ยนย่างยานอันใหม่คือมาใหญ่เดวไวรือจ้างใจองค์อาจหรือรถราดเจียงกินเต้าภูบินไว้ว่องไปรอท้องสธานเอือเปลี่ยนยานจาใจอยาเฮขาสึกไหลตัวตั้นกันไขปันเมียนแล้วเจ้าตนนอแก้วปธิญาน ก็ปาปาริวานมวลมากออกไปจากศาลาก่อยไก่กาเตี่ยวไตเอาโยอดหนึ่งไว้เป็นไม้คือปริวานหาลามวลหมูสางตีอยู่สันเดียวแล้วจ่าเลีวบอกเล่าเป็นดังเก่าเดิมมา มีสารหลายหลากหนึ่งโยธหากเป็นแดนฮือคนเห็นอยู่เฝ้าทุกคำเจ้าขึ้นวันนอคุณทันบุญกว้างฮือแต่งสร้างจูภาการแล้วป่าป่ารีวานไปยั่งอยู่ใกล้ฟังกงกาแล้วก็จัป่งขาดเทืา อ, อนันตามาตต่างตนนำเอาคนแก่นใจ เือจางไม่ตั้งลายได้พันพายเตียวไตเลียบฟังน้ำใหญ่กงกาอันไหลมาจากค้องแดนเถียนทองดงไพรว่าจุงเรียวไว้ป้าหมูเข้าไปสู่ดงนาแปลงนาว้าเฮือใหญ่นับหฮือได้ดานำสามร้อยลำเป็นขนาด ย่าฮหือขาดเป็นหมยสร้างเคืองเฮือนลายพร้อมไข่หือเมียนใดเดียวไว้ตั้งพ้าตัวไข่หน้าปองใสเหือล่องลองมา <c oughs> <c oughs> เปื่อสร้างผังกาถวายเต้าตนภาพดาวเวียงใจคนเตรียมใจอานันตะอาหมาตฟังเจ้าน้อยนาดจะไข ก่อเรียวไว้ป่าหมู่เข้าไปสู่ดงดําเยะตามกําแห่งเจ้าใดบอกเล่าจูภการส่วนนอปุทิญานบุญใหญ่ก่อนําไัยไตโยธา มคมกงกะบอกจาถึงฟังคำนาดอนซ้ายแล้วผันภายง่ายบาทนับบอกขาตัวไบปบอกปอไกหลายลากึ่งโยธาเป็นไม้ เจ้าบุญภายกินกู้ก่อขวาดหูด้วยพระยาวะจากกงกาเตียวสอดถึงตีจอดบัดเดียวหนางเตียวกึ่งโยดบ่อไก่หดเลือกาัน จะคือโยทหารไผ่ไตคุดอุโมงใหญ่พันภายตั้งแต่สายนำหญ่มารอดไก่กองตาตัดตีนีนาจักสร้างยังเวียงกวางเจียงคานเฮต้าผู้ภูบานวิเตหราตั้งอามาตโยทาคนนำนามวนหมู่มาจอดอยู่เย็นใจ <c oughs> นับแต่นี่ไปแถมเล่าถึงพาสัตเจ้าจุลนีขะเนมีบ่มากสองปันว่าหากเป็นไม้จากคนหลายอ่านรอยขุดอุโมงโน่อ เ, อเตียวไปจากหอใจเวียงใหม่ถึงหอเต่าไทยจุลนีเจ้าบุญมีกึดแล้วก่อกาดแก้วพันาย นำปารีวันลหลมวลโมเข้าไปสู่อุตระปัญจาลนากรก็มีหันและนะ <c oughs> ส่วนพ ญ, ญาจุลนิราทูแจ้งขวาดขีญยาวะนอพุทธากินกูเข้ามาสู่ปุรีกอยินดีบ่อน้อย ใจจื้นจ้อยสมมานจาว่ากำพาธนากูไทยเตียงสมไฟคานิ้งหมายย้อนตนใจหนุ่มเน่าคือมะโหสดเก้าเสนาบดีพญามีองค์อาจจบชาลาดเดลือคนใดนำตนมาก่อนเข้าสู่บ่อนปารา คือว่ามาก่อนนาแห่งเจ้าฟ้าผู้บ้านบ่อปอนานแท้ใสตนเต่าไทยวิเตหาราช จ, าจักตัวมาเป็นกูขึ้นมาสู่หอจันโยนใจวันจองหอยอยังนางนาน้นยราชาที่ดาจักคือโยธาอากาหยับไปคาสับปัน เจ้าหอจันจุลนิราทพัวหาดปานาสมมนัตสาจื่นสูมั่มึกอยู่ในใจส่วนคนในภัยไตยแจงไขขี้าว่าเจ้าบุญนามารอดเวียงแก้วหนอดธานีต่างยินดีจื่นสูเล่นสะสูเป็นทาย จุกยืนย้ายแวดไกาตีตัง้งใจภายพันต่างป้ากันสั้นพอต่างต้านต่อใครจาวา่ามโหสถมีนาองอาจจบชะลาดเรือลายรูปกิ้งพายบ่อเศร้ า, าดังเตว่าบุธเจ้าดีรีเป็นเสนาบอดียศใหญ่จบแจงไขเหลือคน ไล่รีพ้นหมากเต้าแห่งเต้าเจ้าเราราดังเอาก้อนผาสัดใส่กาโน่ใหญ่พระนีเจ้าปุรีหนุ่มเทาโยกุลเจ้านาน้ากอกมีหันแลยนะ มะโหสโทอันวามะโหสถยศใหญ่ดอพระติวัยทรงยานป่าปาริวานมวลหมู่ขึ้นไปสู่โรงกัน <c oughs> อาพีวันน้อมไหวส่งเต้าไทายผาปุรีตามพระเพดีแบบเปารอยริยดเก่าเดิมอ่อนเต้าผู้ทรนจุลนิราช พันเจ้าน้อยนาดบุญมีจริงไรว่าตีทำเลว่าเต้าเป็นเจ้าวิเตหราช จ, จักไกลกามา r e s เพื่อเอานางยอดนงไว <c oughs> ในวันใดใครหูคอจุงอูใไขปันนอคุณทันตอบเล่า ว, ว่าข้าแด่เต้าเจ้าผู้บาน กันข้าส่งสารไปไว้บอกเต้าไทยยามได้เต้าจากไว้มาสู่เพื่อเอากินกูนารีเ <c oughs> ต้าจุลาี่ราชก็อโอกาสจะทำบาตนใจรำอาจกามาก่อนเจ้าฟ้าห่อใจย่อนมีใจฟค่อง จิตเจตองสั่งเจ้าเจ้าแสงจ้าบอกเราว่าเต้าเป็นเจ้าเนื้อหัวไข่ห้ตัวแห่งขามาก่อนหน้าน้ำตาเผื่อสร้างหอความใหญ่กว้างท้าวายเจ้าจ้างหอคำจริงเฮข้านำไผ่ไตมานอมใบทุนสา ข, ขอเจ้าประรัติราชอนุญาตปันมาไ คือผู้ข้าตั้งลายได้สร้างตามไฟอ้างคานิงในเจ้าหอใจใจถอยได้ยินถอยวาตีใจยินดีหลายแล่จริงจักแพตกปั่นยังรังวันมากเต้าแก่นอพระเจ้าทารงยานตั้งปริวานหน่อยใหญ่ พ้อมเสียงไขว่จูคนคนหือหนอตสะปลนบุญใหญ่ตังต้งไัยไตโยธาอยู่เกหาใหญ่กว้างที่จิมข้างหอใจแล้วก่อครบอกเล่าว่าดุราเจ้าเสนาบดียามเจ้าปุรีวิเตหราชเจ้าภาษศาสวิธีลา ยังไปมาจุจอดถึงห้องยอดเวียงใจคิดจะได้น้อยใหญ่กวรแป่งไม่ดีงามขอตนใจรมสั้นพอช่วยสร้างก่อตามมีนอมูนียอดซอยก็อตอบถอยกำไปว่าตัดติคันใดภาสัตว์แห่งเต้าที่ราดผู้บาน สร้ n งมานานแต่เหล่าเปนก็เก่าผู้ปังย่ำย่ำดังอาาดเยี่ยวจักหักขาดเพทาบอกงามตาสักหยาดบอกเปลงภาษาคำแดงขาดจักแปลงแถมใบใจเป็นใหญ่ฮึกนาแม่นจ้างมาเตียวไต่ก็หักบ่อไดดีลี เต้าจูลาดีบ า, าบเ้าโอโอบ่อเก้าอบก่อว่างไม้่งขาดอนุญาตบัดเดียวเจ้าก่อเรียวบ่อจ้าฮือฟัวกาโยทาเอาแป้นหน้ากว้างใหญ่มาเปลี่ยนใหม่งามเล่าคัดเป็นเงาว่าวาถือสะอาดงามตา เือแต่งดามันเก่นบอ่อเฮือแปนคตไหลย่อนคานิ่งในเกิดไว้ว่าจะขุดอุโมงใหญ่พดมา <c oughs> ตัดเป็นนาดีเหล่าเพื่อเอาลูกเจ้าปุรีเต้าจุลณีที่ราชสัตตาสวาตเล็งหันมีใจมันจึนสูย่อนบ่ฮู้ขีญยา ว่ามโหสถนีนาองค์อาจจบชาลาดเหลือคนมันหักตนกูเตา้าผู้ผับดาวเวียงใจจ <c oughs> ิงแปลงตีนคันได้แถมไม่เอกวางใหญ่ดูงามเจ้าใจร้ามทำเล่าว่าข้าแด่เต้าเจ้าบุญภาย จักฮือคาตั้งลายน้อยใหญ่พร้อมไยไตยรีปนสร้างนิเวศน์ภาษาถวายเต้าวิเตหาราชแดนใดขอจุงไข่เกาวจี้ บอกเขตตีอาณาเปื่อดดังดาก่อสร้างยังผาสัดกว้างเดียวปันเจ้าห่อจันใจถอยก็ตอบถอยกำไปว่าเวนห่อใจกูเต้าเว่นเขตดาวผางกาสุภาธนาใครสังยังผาสัดกว้างแด่นได้ตัดห่อเฮือนไผ่น้อยใหญ่ เือสร้างได้ดังหมยห่อเฮือนย้ายหลายแลเต็มจูงแงเวียงใจกันเพิงใจใครได้บอกว่าเฮือนไผ่ไตเสนาเือมาลงมาเสียงไข่แล้วสร้างใหม่เดี๋ยวไว้เจ้าก็ไข่ตอบเล่าว่าข้าแด่เจ้าปุรี โอ้ขามีลายลากรีปนมากนำนาจากเอาเก้หาหน้อยใหญ่แห่งไ่ไต้คนในแล้วเข้าไปก่อสร้างตามเต้าอ่างปันหนายคนยิงใจน้อยใหญ่เตียงเดือดไม่เครื่องกากอจากมาขับไว้สึ่งเต้าไทายบุญพาย ว่าคาตั้งลายมวนหมเข้าจริงลูลเ่เฮือนเขาตุกบอ่อเบ้าลายแลกอ่อจักแผ่ตัวมาเจ้าปาราหยอดซอยก็บอจืนจ้อยหอระไทข้ามาไกต่างดาวก็บอจืนเยาใจบ้านคือบอสำรานแต่ใส ย้อนภัยไตยเครื่องขี่เต่าจุนลานีใจถอยก็ตอบถอยใครจาว่าเป็นพระจ้าไั่ไตหรือขุนใหญ่แก่เมืองจักขี่เครื่องโคตรกา หรือร้องดาสันใดอย่าใส่ใจแต่ใส่หื้อเลือกใดตามมีกันเขานี้เจียนจากลาละภาคเพื่อนตนหื้อเขาขนคัวออก <c oughs> มาไปนอกเกหาแล้วดังดาเกสร้ังยังพ่าสาั์กว้างเร็วพันนนอคุณท่านหนุ่มเนวก็กมเก่าอันจุลี ว่าพิแลมีดังกก่าข้าบาเต้ามาไก่เนียวเจ้าห่อใจยดใหญ่จักร่อนไมเครื่องกาข่อโยธาภูคาอันผากนามาไก่เฝ้าคันไดภาษาทแห่งเต้ตาที่ราดบุญภายย้ำยิงใจมวนหมูจักขึ้นสู่ห่อใจ หือเรียวไว้ห้ามไว้บอหฮือเขาใดพดมาเจ้าปาราหยอดซอยจักจื่นจอยเจ้ิบ้านสุขสำราญบพ่พรนดังแต่ก่อนเดิมมาเจ้าปาราที่ราชก่ออนุ ญ, ญาตตามคำนอคุณธรรมบอกเจ้าฮือพวกกาโยธาผู้อาสาหนุมน่มเน่า มาอยู่เฝ้ากันได้แล้วาจะาใครบอกเล่าว่ากัน้นหนุ่มเทาหญิงใจไพ่ไต้หลม่วนหมูจักขึ้นสู่โรงกันจุงเดียวปั่นห้ามขาดอย่าห้ อ, อยายบาดไก่กาขึ้นไปหาตันเต้าตนภาพดาวปุรี กันไข่กำดีห้ามขาดเขาบ่ออาจจากฟังฮือตีหลังเสียงไข่ ย, ย่าเว้นไว้คนได้กันจากไข่เวียนแล้วเจ้าหน่อแก้วโปทิญานกอปาป่ารีวานมวนหมู่เข้าไปสู่พังก้าแห่งพญาผู้เทาคือแม่เต่าเจ้าจุลณี แล้วไรวาติก่าหือได้หูอาการว่าเต้าผู้บ้านยศใหญ่อาจยาใสปันไมห้ผู้ค่าลายนี่เล่าม่างเฮือนแม่เจ้าเตวเตีวเพืเ่อสร้างหอดีภาสาตว์วายเต้าที่ราชวิเตหราาแล้วแสงดาริดมัง ตามเขาอ้างเดียวปันแม่พญานันต่อนากอร้องดาภาภายว่าสู่ตั้งลายนี่เล่าบอกเก้าขีน้ากูนี่นานยศใหญ่เป็นแม่ต้าวไทยห่อใจเป็นสันได้สู่เจ้ามามั่งเหล่าเฮือนกูกูบอจูด้วยง่า ย, ย้อนสู่ไรนำนา <c oughs> เขาก็จะตอบเล่าว่ากันแม่พันยาเจ้าห่าาอคำบ่อเจียกัมตัว่าจุงรีบกว่าไปหาอัมพญยาฮือแน่ว่าแม่นเตียงแต่สันได้ดังก่อไว้สาไสากันไปรอดไกลคันใดใจเตรียมใจแห่งเจ้า อันอยู่เฝารักษาก็ไขจ่าห้ามขาดบอกขึ้นภาษาห่อคำดงางไขกั้บอกเรา ว, ว่าเป็นแม่เจ้าห่อใจใจเตรีมยมใจก่าวแก้วว่าแม่นเป็นแม่ผาดยาก็ขึ้นผังกาบ่ได้เต้าห้ามไว้เป็นไมยว่ากันยิงใจหน่อยใหญ่ บอเว้นไว้คนใดจะขึ้นห่อใจภาษาจุงห้ามขาดอยู่คนคนบอว่ารีปนนมเท่าหรือเจ้อเจ้าสายนายกันจะได้ห้ามขาดเขาบออาจจกฟังจุงตีหลังจูผู้อยาหออยู่นานไป ใจเตรียมใจแกว่ใจแสงกำไม่สบพันแม่พระญาหันไม่ขอนใจสะต้อนเววาว่าเม่นพญาปองขาดอานุญาตสัจจังจริงเลียวลังคืนสูอยังที่อยู่แดนตนกอหันค้นใหญ่หน้อยน้อยใหญ่วังเวทไก้นำหน้า คงดังดารีธิ้างยังหอกว้างเหืองงามจริงจะ ท, ท, แทมแถมเล่า ว, ว่าดุราสู่เจ้าแดนไกเป็นคนใดนั่นใส <c oughs> ได้แต่งใจสู่มาเขาก็จะก่าวแก่ว่าวข้าแด่แม่เทวีมะโหสุดเสนาบอดีดยอดใหญ่ได้แต่งใจตูมา ย้อนพ่าญาปงขาดอนุญาตดีลีกันแม่ตีวิยดใหญ่ยังมักไฟใจใหมายฮือตู่ตั้งไลนี่หางบ่อริดมั่งพังกาจุงไปจากเกาอืฮือมะโหสดหูบัดเดียวแม่พ่าญาเรีวไปรอตีเจ้ายอดบุญนำ แล้วใครกำบอกเล่าว่าดูราเจ้าเซนาบอดีห่อเรามีแต่ไทยขอเว้นไว้วางลา <c oughs> อย่าฮือโยธาดิตมางตามเจ้าจ้างปันหมยขอตนใจข้าหมื่นไปเอาที่อื่นแดนไกลในเวียงใจหนีไส หากกว้างใหญ่นานำกูจักปันคำก้ามากแสนหนึ่งหากเป็นทาราแล้วเอโยธาหนีห่างอย่าได้มาเฮือนกูหนอสปัญญูบุญมากแสงบอปากจะใครสนใจเตรียมใจแกวนใจอันอยู่ใกล้กองตา่อแสงจ้าบอกเรา ว่ากันแม่เจ้าเตวีจักปันคำดีกล้ามากแสนหนึ่งหากเป็นไม้ตูตั้งลายจักใหญ่รือคดไข่ถอยนี้ <c oughs> แม่เจ้าปุริยอดยาวฟังมันกา่าวไหกัมก่อเอาคำกล้ามากแสนหนึ่งหากเป็นทารายกน้ำมาบ่อจ้า ยืนต่อนาเร็วไว้ใจเตรียมใจแขว่ใจก็รับไวบัดเดียวแล้วรีบเร็ยวบอกหมูบอ ก, อกที่อยู่เศราซาก็มีวันนั้นและนาะ เน่ตังขี้าสังวันานาวิเศษจาห้องเหตุมะโหสุดผูกทวนเสาจักจาเงาวนักกว่าเหื่อหน่อยนาแหลังเสียงบอดังมีกองฟองฮอนต้องเววาฟองพอนาลิกาจาใจจริงขอยังไว้เป็นข้าวก็บางกมสมริด เสร็จแล้วเต่านี่ก่อนแลว